ประวัตจดเราก็นังปฏิวัติธรรมรวมกันปฏิบัติธรรมกลับมาหาธรรมชาติเขินสู่ธรรมชาติปฏิบัติงานก็อยู่ในกรอบของงานกลับมาหาหลักการของการทํางาน อุดมการ์ของการทํางานชั้นใดก็ดีปฏิบัติว่กลับการกลับมาทําให้เกิดความอบอุ่นทําให้เกิดความมั่นคงทําให้เกิดปัญญาญาณทําให้เกิดอารยธรรมทำให้เกิดอริยธรรมทุกๆการกลับมันทําให้เราเห็น จุดที่มันไม่สุขไม่ทุกข์การออกไปมันทุกข์การกลับมามันไม่สุขไม่ทุกข์มันมีแต่ความอบอุ่นจิตใจเราจะหนักแน่นแล้วก็รู้สึกมีความสุขพึงใจตัวเองได้ถ้าเปรียบเหมือนทางโลกทางรายวิชาอารยธรรมประเทศจีนก็ตามหรืวทางยุโรป จุดเริ่มต้นจุดกําเนิดของอารยธรรมส่วนใหญ่คือจุดหักกลับของแม่น้ำใหญ่ๆแม่น้ำโเหอแม่น้ำแยงสีเกียงแม่น้ำนายแม่น้ำสารพัดมันจะไหลแลว้ววกกลับตรงนั้นนะจะเกิดชุมชนขึ้นมาหรือว่าแม่น้ำาจ้าพยานะลองดูยุทธยาก็เกิดจุดที่กําลังเลี้ยวโคง้งแล้วจุดกาเนิด มันจะสังสมตะกรนต่างๆกลายเป็นป<ม>ุ๋ยจิตใจของเราเหมือนกัน ม, มันจะวาดเอาตะกรนทุกครั้งที่กลับมาหาความรู้สึกตัวการคิดการนอกการปรวงการแต่งอารมณ์ต่างๆเอามาใช้ประโยชน์ทำให้เราเห็นธรรมชาติท่มปลากดตามความเป็นจริงทุกครั้งที่กลับมาหาปัจจัยกบญน่ะ ความคิดติมเคยไหลลื่นแล้วก็ลงสู่ความเสื่อมทําให้เราเห็นหรือว่าสัมผัสกับความทุกข์ทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยชัดๆเห็นทุกชัดๆความทุกข์ที่แสดงในรูปรอยของอาการคิดทีดดด่ละโกดล้ะลบล้ะหลงละล่างละชังที่เราแปรเดียนาโคตเนี่ยมันชั ด, ดนอกจากนี้เราก็เห็นอาการของกาย ที่เมืี้เราสวดกันนะั่นแหะอาการ32อาทีมัสมิงกายเยในร่างกายนี้มีอะไรบ้างเย็นร้อนอ่อนแข็งธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมมีเสียมหังมีเสลเลตปุโปรนองโลหิตมีหัวใจ ม, ม้ามปอดกระเพาะอาหารเก่าอาหารใหม่มน้ำใสใหญ่างำใสน้อยทั้งหลาย มันก็มีอาการของมันน่ะนั่งนานๆก็เจ็บกระดูกเหนื่อยเนื้อเมอเื่อตัวอันนี้คือธรรมชาติที่เราจะต้องรับรู้รับทราบและเกี่ยวข้องให้ถูกต้องด้วยถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องก็กลายเป็นปัญหาถ้าเกี่ยวข้องถูกต้องก็เป็นปัญญาร่างกายของเราเอาใจวัตถุนึงสองสาร เวลามีปัญหามีความทุกข์อาศัยบุคคลหนึ่งสองสามอย่างวันนี้กลุ่มพยาบาลก็ต้องอาศัยหมอวินิจฉัยโรคอย่างเงี้ยลงไปเยาบาลแก่งงเขาต้องอาศัยเพื่อนต้องอาศัยคนขับรถอย่างเงี้ยนะปวดปัสสาวะต้องอาศัยห้องน้ําอาศัยขันอาศัยสารพัดนีวัตถุหนึ่งสองสามอาศัยเวลาจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องอาศัยเวลาหิวก็ต้อง ขนขวายหาอาหารต้องปรุงต้องแต่งเรากระทำสุดก็คือถึงแก้ทุกเหมันเท่าทุกจิตคิ ด, ค ด, คดนี่ง่ายมากทุกครั้งที่กลับมาหาความรู้เ ร, รู้ตัวรู้สึกตัวมันก็หยุดความคิดได้ทันทีตัดความคิดได้ทันทีหรือว่าความคิดถูกรู้เท่ารู้ทันทันทีถ้ามีสติมากๆพอสติปัฏฐานที่มิจเรนสภาว่าผู้ดูที่ปรากฏเด่นออกมา มันจะรู้และเห็นเห็นความคิดความคิดเกิดขึ้นมาก็รู้เท่ารู้ททนความคิดก่อนที่มันจะคิดก็รู้สติก่อนคิดสติก่อนพูดสติก่อนทำสติขณะคิดขณะพูขดขณะทำสติหลังคิดหลังพูดหลังทำมันก็เห็นทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัว ม, มีความรู้เน้อรู้ตัวรู้สึกตัวนะ่ะอาการของกายก็แสดงออกตรงนี้ รายการของจิตการแสดงออกตรงนี้ตรงรู้สึกถ้าเรามีสติเรารูร้รู้มีเครื่องรับรู้มีตัวรู้ก็รู้ถูกรู้อะไรเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นในาการต่างๆตรงนี้แหละมันจะเป็นปัญญาหรือว่าเรียก ว, วิปัสสนาญาณก็คือสตินจะเป็นญาณที่ขนส่งอปัญญามาแล้วก็เห็นทะลุทะลวงอย่างแจ่มแจ้งรูปธรรมนามธรรมหรือภาษ า, าศาสนาก็เรียก ว, ว่าเห็นขันห้า มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันมีขันขันเดียวกําลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยภพใหญ่ก็ดีก็ับมาใถึงตัวความคิดเนี่ยล้ำเป็นขันขันเดียวเที่มันท่องเที่ยวเก่งมากทีดแล้วก็ไปอบายภูมิคิแล้วก็ไปสุขติภูมิเมื่อเราออกมาจากความคิดเนี่ยมันก็เป็นพุทธภูมิไปแล้วด้วยดี เป็นสุขโตเนี่ยแหละทุกครั้งจิตเกินสู่สภาวะปกติมอจะรู้นิ่มๆรู้เย็นๆรู้เฉยๆรู้ระไม่เข้าไปในาการต่างๆเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยคือพลังของชีวิตเรียกว่าประพฤติปรมจันทร์หรือรว่าพระจิตที่ปกติเนี่ยตรงนี้หมาแก่การงาน กรรมนิโยและก็ผลิตสุดบริสุทดโทตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าถึงกันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะทําได้ทุกคนไม่เว้นเห็นบุญเห็นบาปเห็นกุศลเห็นอกุศลเห็นอาการของกายอาการของจิตใจแล้วก็เห็นเราเป็นปัญญาเราไม่ได้เอาเป็นปัญหาเพาเรากำลังศึกษาปฏิบัติธรรมศึกษาฝึกหัด ตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเรากําลังมาฝึกมหาหัดหนึ่งวันสองวันสาวันหรือจะกี่วันนะีฝึกหัดให้มันเห็นสภาพธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งนะลงไปลงไปจะต้องเห็นตัวรู้เห็นตัวหลงนะเห็นตัววิชาอาวิชชาสองตัวเนะีตัววิชารู้แล้วรู้ถูกอวิชชามันรู้แต่มันรู้ไม่ถูกมอนเห็นทั้งสองตัวรู้ว่าหลงหลงว่ารูนะ้น ต่หลวงว่ารู้มันก็กลับมาหาตัวสัมผัสมันกรู้วา่าหลงมันก็แก้กันได้ทันทีทันใดมันก็เป็นเนื้อหาวิชากรรมฐานที่เป็นกรรมฐานปฏิบัติการมันไม่ใช่กรรมฐานวิชาการก็จึงใส่ใจตัวใครตัวเราใช้การเดินจงกรมในรูปแบบใช้การนั่งซั่งจังหวะในรูปแบบเพื่อที่จะเข้าถึง การสัมผัสรู้ธรรมชาติที่มีอยู่ที่มันกลังปราตรวทุกๆกขณนะการกระทบสัมผัสตะลุกณาเป็นธรรมชาติของกายประเดี๋ยวมันก็มีธรรมชาติของมันเหมือนกันแซกซ้อนออกมาบอกให้เราเกี่ยวข้องเช่นอาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อยหรือว่าง่วงเหงาหานอนหรือว่าความคิดความเบื่อความเซงสารพัดมันจะแดงตรมีตามีพื้นที่เราก็จะเห็นมันผ่านไป ผ, ผ, ผ่านมาตรงนี้ แต่เราก็มีหลักของผู้ดูก็คือรู้ซื่อๆ อ, อะไรเกิดขึ้นมาก็เห็นเฉยๆไม่ออกมาเป็นความพอใจเป็นความสุขหรือว่าไม่ออกมาเป็นความไม่พอใจออกมาเป็นความทุกข์ตัวนี้นมันก็จะเก่งยิงทําก็ยิงสนุกนะมันจะตื่นตัวสติเห็นกายกายมันก็จะตื่น สติเห็นจิตเห็นใจเมจิตใจมันจะตื่นตัวสติเป็นเครื่องตื่นเมื่อมันมองตัวไหนมันก็ตื่นแต่ถ้ามันไม่มีสติข่าวสติมันก็มาเมื่อข่าวสติมันโกรธข่าวสติมันโลภขาวสติมันหลงขาวสติมันรักข่าวสติมันชังเมื่อมันข่าวสติมันก็จะเป็นไปตามมัน ตาในมันไม่ดีมันก็มองก็มืดมันก็ตรงทุกข์นะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์นะสุขสุทุกข์ทแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกตัวมันก็มีแต่ความรู้สึกตัวสุขก็รู้สึกตัวทุกข์ก็รู้สึกตัวเราก็จะเห็นว่าเออมันก็เป็นอิสระภาพจิตใจของเรามันก็เหมือนกับว่ามีพื้นที่ใหม่เกิดกําลังใหม่ตรงนั้นเป็นเร่องหนาของ จิตที่มันมันหยุดหยุดก็ไปในความทุกข์หยุดก็ไปในความหลงหยุดไปในาการปรุงกันแต่งหยุดแสวงหาก็ว่าได้มันก็จะหยุดเลยหยุดติกันทีหยุดธรรมเรื่องของกายเรื่องของกายไปเรื่องของจิตเรื่องของจิตไปสติก็ลอยตัวออกมาเราก็จะได้เห็นแต่ว่าฝึกคัดใหม่ๆมันก็จะต้องผ่านอารมณ์ให้ได้อารมณ์เต่มันจะมาเช่น อารมณ์ที่เป็นรูปรอยของความคิดที่เป็นบาปอารมณ์ที่เป็นรูปรอยของความคิดอารมณ์ที่เป็นบุญเรากต้องผ่านหรือก็เรียกว่านิวรธรรมถ้าเป็นการเรเรียกว่าเป็นพวัตรฐานหาก็ว่าได้จนเกิดจารรีประเภทณีวัฒนธรรมขึ้นมาเกิดการงานขึ้นมามากมายในโลกใบนี้สมมติบัญญัติร่วมรวมกันแล้วก็ตัดสินว่ดดวาดีก็ว่าดี แต่สิ่งนี้ว่าถูกก็ว่าถูกอันนี้ก็นั่นหมายถึงว่ามันจะเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราในรูปรอยของความคิดเราก็รู้เท่ารู้ทันกลับมาออกหาความรู้เนื้อรู้ตัวที่ฐานกายกายเคลื่อนไหวใจก็รู้กายเคลื่อ น, นไหวใจก็ทำด้วยกันกายทําอะไรใจก็ทําด้วยเคลื่อนไหวเมื่อไรก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกทั้งเจตนาแล้วก็ไม่ได้เจตนา บางทีเราเคลื่อนมืออยู่ดีๆก็มียุงเดี๋ยวนี้ยุงมาชมมากเลยชมชมมากจริงๆเราก็เออเอามาเป็นความรู้สึกตัวแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสตินะมันจะเป็นความลาคาญเลยยุงกัดก็ําคาญคันก็ทนไม่ไหวก็จะออกจากกรรมฐานไปก่อนจริงๆเราก็สามารถมีปัญญาเกี่ยวข้องได้แตเพราะอยู่ในบทเดินจงกลมหรือว่าสร้างสว่างเนี่ยมันเคลื่อนตัว ทำให้เรารู้สึกว่ายุงมันจะกาะเราแล้วกันเราได้ยากขึ้นนั่งนิ่งๆหลับตานิ่งง่ายอยู่มันจะกอบปุ๊บ ก, กัดปั๊บเลยแล้วเราก็จะคราวนี้ก็จะเอาไงดีจะไล่ดีหรือจะนิ่งดีงนี่เหนไหมเกิดอาการลังเลสงสัยขึ้นมาการหลับตาปฏิบัติมีข้อเสียหลายอย่างนะหนึ่งก็คือนิมิตของจิตเนี่ยเวลาไม่คิดขึ้นมามันจะชัด แล้วเกิดนี้มิไม่จะชัดหลับตาเหมือนกับปิดไฟฉายหนังภาพจะออกมาชัดนลอีกอันก็คือความง่วงจะคืบคานเข้ามาแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยร่วมด้วยช่ยกันปิดตาเพื่อส่งเสริมให้ความง่วงเนี่ยมันมีอํานาจมีพลังมากขึ้นการหลับตาก็เสียกันก็คือปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นมาจากการเห็นต่างตา เห็นสักตะวาเห็นเนี่ยอ่ามันจะไม่เห็นถ้าเราเลืมตาเราจะเห็นว่าเออมันก็มีคนผ่านไปผ่านมารถผ่านไปผ่านมามีสัตว์สั้าสิ่งวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่ามันไม่มีความคิดใส่ลงไปให้สังเกตเพราะว่าใจของเรามันมารับรู้อยู่หนึ่งเดียวขณะที่มารู้สึกที่ฐานกายสัมผัสกระทบรู้สึกหรือว่าสติรู้สติอยู่ในนั้นะ มันจะไม่มีการคิดการปรุงเลือสติดูจิตอยู่ยนะนะมันจะไม่ปรงุงมันจะเห็นแบบปรมาถาศภาวะคือมันเห็นแล้วไม่มีภาษาคนเข้าไปมันจะมีแต่อาการมีแต่กริยามันจะไม่ได้มีว่าเออเขาเขาเราเราตรงนั้นทุกครั้งที่รู้สึกเราก็จะเห็นได้เคลื่อนไหวรู้สึกไม่ได้มีเขาเขาเราเราลวดตากระทบแล้วก็รู้สึกเนี่ยไม่ได้มีเขาเขาเราเราแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามไม่รู้สึกตัว มันก็จะมีภาษาในสมองสัญญาจําได้หมายรู้ด้วยสมองออกมาเป็นตัวหนังสือตัวอักษรจิตของเราจะมีคําพูดเกิดขึ้นมาเรากเห็นว่าเออนะะมันหลงไปแล้วเริ่มหลงไปแล้วกระบวนการของมันเดี๋ยมีการปรุงแต่งตามชนิดนิสัยต่อไปมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ไวด้วยเลือกเปิดหูห น, นะนะการแต่งทำแบบแนวหลวงปู่เทียนนหะรือว่าการเคลื่อนไหวที่สี่จังหวะหรือว่าปึกสติ ไม่ได้สอนให้เป็นคนหูหนวกตาบอดไม่ได้บอกให้เป็นคนหูหนวกตาบอดแต่ให้เปิดหูเปิดตาเห็นโลกตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้ อ, อ, ของถูกต้องทุกครั้งที่มันเห็นมันกลับมารู้สึกตัวใหม่ๆก็ห้าสิบห้าสิบก็คือออกไปทางตาห้าสิบแล้วก็รู้สึกตัวสัมผัสร่างกายไว้ห้าสิบจนความรู้สึกตัวในจิตมันชัดสติในจิตความเป็นปกติมันชัดครา้นี้ก็ปล่อยมัน ให้ตามทํางานของมันเองให้ร่างกายมันทำงานของมันเองจิตผู้รู้ก็จะรู้มันจะทํางานตามกฎของธรรมะกฎของธรรมชาติอันนั้นคือความเป็นเองแต่ใหม่ใหม่ให้ผูเข้าไว้ก่อนไม่งั้นจะหมดเนื้อหมดตัวทุกครั้งที่ตาดูมันก็หลงไปทุกครั้งที่สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวก็กลับมาเลยเห็นมันมอาการชักกระเจอกันบางทีก็รู้สึกบางทีก็ไปทางตาคิดปรุงแต่ง ทางหูคิดปรุงแต่งบางทีก็คิดขึ้นมาโดยสร้างภาพยกเมเข้ามาจากภายในเป็นภาพอาดีตบ้างภาพอานาคตบ้างเราก็เห็นแล้วอ๋อนี่คือรูปรอยร่องรอยของความทุกขนะ์สมมติฐานของความทุกข์เกิดจากการคิดต่างๆถล่มเพลอเข้าไปเราเราก็จึงกลับมาหาตัวหลักของการปฏิบัติกลับมาปฏิบัติธรรมเออกลับมาหาฐานกาย ใครทำฐานกายจนทำนานก็จะเห็นเวทนาชัดเวทนาคือสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นม า, าการต่างๆที่เกิดขึ้นมาชัดจนมันไม่ได้บอกว่าสุขหรือทุกข์แต่มันจะเห็นด้วยปัญญาและเกี่ยวข้องถูกต้องอย่างยุ้งกัดเนียก็ต้องปัดนะมันคงไม่ปล่อยให้เหมือนกับว่าแม่กินแล้เลือดยิ่มหรอกไหมมันก็ปัดจา่วปัดอย่างสุภาพปัดอย่างมีเมตตาปัดอย่าง รามั่ระวังไม่ให้เบียดเบียนตัวเองไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นเราจะมีสติเกิดขึ้นแล้วก็รู้ดควรทําอย่างไรจะเดินลงบันไดจะเดินยังไงจะเดินขึ้นบันไดจะทําไงเวลาเดินที่นั่นเดินกระเวิ้งลื่นๆื่นทําไงเรจะระมัดระวังแต่ถ้าเผลอมาอะไรกันลื่นมันจะมีสติกันยั่งการเดินการยืนการนอนแต่เราฝึกในรูปแบบเป็นนะไปไหนนจะไปแบบเงียเงียคนเดียวอ่ะ มันจะไปแบบเหมือนกับมีตัวเราคนเดียวอยู่ในโลกแต่ว่ามันก็มีหลายคนคือจิตของเราจะสงบจิตของเรามันจะมั่นคงแล้วก็อบอุ่นมีมีความรู้เนื้อรู้ตัวทั่วส ร, ร่างกายเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือเรียกว่าเอากายเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านของจิตเมื่อเขารู้สึกอบอุ่นก็กรู้แลเนี่ยตัวนี้กลอดไป เขรู้แล้วเขพึ่งตรงนี้แล้วจิตใจเป็นปกติเขรู้แล้วตรงนี้คือมาตรฐานของจิตมาตรฐานของจิตคือต้องปกติจิตสุขจิตทุกนี่ผิดมาตรฐานแล้วก็มันให้ค่าความสุขแตกต่างกันมากเรื่องเรื่องเดียวกันบางคนก็มองว่าสุขบางคนก็มองว่าทุกเรื่องเรื่องเดียวกันบางคนก็มองว่าดีบางคนก็มองว่าชั่วเรื่องเรื่องเดียวกันบางคนก็มองว่าบุญบางคนก็มองว่าบาปเรื่องเรื่องเดียวกันบางคนก็มองว่าฉลาดบางคนก็มองว่าโง่ อันน้ก็เป็นระดับของสมมุติเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเออการคิดการพูดการทำมันมีความรู้สึกตัวแ ล, ล้วก็มีักษณะของปัญญาที่มันแสดงออกมาขณะต่อขณะมันจะเป็นเรื่องของความสุขภายในใจเราหรือเรียกว่าการตื่นก็ว่าได้ปัญญาเราตอนนี้นจะตื่นวก็จะตื่นปัญหาตื่นทุกข์ เรามันจะตื่นตัวตื่นกายตื่นใจตัวนี้เราเรียกว่าชาคิญยานุโยคทําที่เป็นเครื่องตื่นึตร ง, ตรงนี้จะคิดจะพูดจะทําก็อยู่ในโลกจะอยู่ไงก็อยู่เถอะยิ่งมีปัญหายิ่งมีปัญญามันมีการที่เรียกว่าหน้าที่ที่ปรากฏขึ้นมาเรีว่าชีวิตราก็ต้องทําหน้าที่ทําดีนะทุกคนละชั่วเราก็ต้องละทําดีก็ต้องทําแล้วละ ชำระจิตก็ต้องทําในตัวชําระจิตก็คือในใจกับในใจของเราชําระจิตเรื่องคนอื่นของใครของมันต้องทํากันเราเองตัวนี้แต่ทําทดีก็สร้างสรรค์เงินไปสร้างสรรค์อะไรที่เป็นความดีจระรีดอะไรที่เป็นว่าทําอะไรที่เป็นเรื่องสังคมนิยมเรื่องของประเพณีนิยมหรือว่าศีลธรรมต่างๆก็ทํำกันไป อะไรเป็นนี่ที่ใก็ตัวบทกฎหมายหรือว่าเป็นอะไรก็ว่ากันไปหรือาโลกกันไปหรือว่าจะคิดแบบแหก่กรอบคิดแบบอะไรนอกกรอบก็รับพิดชอกันไปอะไรประเภทน้จากน้ถ้ามันเหมือนกันว่าเรารู้สึกว่าโลกนี้นมันเป็นโลกที่น่าอยู่แล้วก็น่าเรียนรู้ในแง่ของโรคมนุษย์ที่มันมีที่มันมี พระศาสนาแล้วก็มีวิชาที่ชี้ถึงมีมรรคมีผลแล้วก็มีสภาวะที่วันนิพพานสภาพธรรมที่นวันนิพพานนันเป็นเรื่องที่เราถือว่าเป็นโชคหรือว่าเป็นกำไรของชีวิตเราที่พเจ้าก็อุบัติมาในโลกมนุษย์พระเจ้านี่ก็ว่ากันว่านะเดิมทีนี่เป็นเทวดาอยู่ชั้นอะไรดุสิต เรียกว่าเป็น เ, เทพที่กําลังหมดหมดบุญแล้วนะหมดบุญแล้วก็จะมาจุดติในโลกมนุษย์ชื่อสันติเทพบุตรเนะีเป็นเทพบุตรชื่อสันติเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเทวดาก็เศร้าหมองน ะ, ะนักษณะเทวดาที่จะลงมาจุดติที่จะจุดติจุดปีกหมายถึงว่าตายนะ แล้วก็เกิดใหม่ปฏิสนธิเงี้ยก็คือจะมีอาการหมองผิวหนังหมองหน้าตาหมองเสื้อผ้าชุดที่ใส่หมองเหมือนกับผู้ดีตกอย่างเ ง, งี้ยนะแล้วก็เหงื่อออกเหงื่อออกรักแร้เหงื่อออกเหงื่อออกตามเนื้อตามตัวกเกลียวเทวดาตกสวรรค์มือนกัผู้ดีอยู่ห้องแอร์แล้วก็ทาหน้าเขลีย้ยยิ้วาทาปาก ใส่เสื้อผ้าแพรพันแลยยิบรลยยับจะเปียบเที่ยอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหมองต้องทำงานเงิอตกก็แสดงว่าเทวดาตกสวรรค์เสรดถีตกยา ก, ก น, นะก็มองกันออกเลยมีคำโบราณก็บอกว่าอันอ้อยตาหวานนั้นก็พันพืชนะไม่มีจืดไม่มีหมดในรสหวานผู้ดีแม้ล้มลุกจงคุกคานผู้ดีนะ ก็ยังอ่านออกว่าคนนี้คือผู้ดีอ่านออกผู้ดีตกยากก็ น, นี้พอมาเกิดก็เลือกเอาโลกมนุษย์เนี่ยแหละนะโลกมนุษย์มีสุขแล้วก็มีความทุกข์ก็เห็นว่าเออมันมีสุขมีทุกข์สามารถที่จะเรียนรู้สุขเรียนรู้ทุกข์ถ้าเป็นอบายภูมิน่ะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวถ้าเป็นเทวภูมิน่ะมีแต่สุขอย่างเดียวก็เลยเลือกเอาโลกมนุษย์อย่างเงี้ย จะต้องเลือกเอาครันของนางสิริมหาบาลยาเลือกแล้วเลือกเอาสักยคโคตถือว่าเป็นโคตที่สามารถที่จะเกิดมาแล้วก็สร้างบารมีได้จะต้่งท้ายสุดก็มาเป็นเด็กชายสิทธะเป็นนายิทธะจนกรทั้งเป็นองสมเด็จสัมมาสัมพุทธะในวัเนเพ็ญเดือนห อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สอาทิตย์ที่สก็เริ่มมาที่รัตนจงกรมลมาเดินจงกรมเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับเริ่มต้นที่จะเหมือนกับว่าทําความเพียรเพื่อที่จะท้ายสุดก็คือไปสอนปัญจวัคคีย์รือว่าผู้คนที่ยังตกๆุกได้ยากหรือว่าสั่นโลก ติวบัตขึ้นมาในโลกแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็คือเป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีแล้ว ก, ก็เชื่อกันว่า 5,000 ันปีนะมันจะสับศูนย์ไปก็เชื่ออย่างนั้น 2,500 ปีจนเอียงเอียงมา600ปีแล้วตอนนี้ก็คือสัจมาพุทธก็ไหลไปสู่ความเสื่อมก็ว่ากันอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าพวกเราชาวพุทธมันที่จะฝึกสติ รสติกันเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกก็เช่าว่าไม่สูญนะรู้จนก็ยังแฝงอยู่ในจิตปิญญาณของคนอีกมากมายเหลือเกินเหมือนอย่างเช่นไปประเทศอินเดียในประเทศอินเดียเขาจะนับถืออิสลามินดูหรือว่าอีกหลายๆลาัทธิจะมีอยู่ที่นั่นมากมายเวลาก็มีภัยเกิดขึ้นมาก็าจะมีพิธีกรรมทางพรามบ้างหรือว่าทาง มุสลิมทางอินดูเขาก็จะมีพิธีกรรมต่างๆอย่างพราหก็สงเบยเส้นสงเบยบูชา ย, ยันบูชา ย, ยันเราก็จะเห็นแถวจงังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าเห็นทางประเทศขเขมรทางชายแดนหรือว่าลาวอย่างงี้นะก็จะมีปราสาดหินต่างๆมีไว้เพื่อบูชา ย, ยันเอาสาวปรมจันยร์บริสุทธ อามาเกรดเอาเลือดแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆอีกมากมายก็คือต้องเสียชีวิตกันค่าแพะค่าแกะหมูหมากาไก่ต่างๆมากมายเหลือเกินแต่วัฒนธรรมเราก็ไม่ให้ทําอย่างนั้นถ้ามันมีภัยเกิดขึ้นมาอาเพศเหตุภัยก็ให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวมีสติสามัญญะให้มีศีลให้มีธรรมของเราก็เชื่อว่า การไม่ทํำบาปทั้งปวงหรือว่าการทําดีให้ถึงพร้อมแล้วก็เชื่อว่าชําระจิตให้เขารอบไอ้ตัวชําระจิตก็ที่เรากำลังฝึกหัดกันถ้าเรายังรู้สึกตัวกันอยู่มีสตินั่งเดินยือนนอนอยู่ตลอดเวลาและมั่ระวังสํารวมวเชื่อว่าศาสนาพุทธไม่เสื่อมในใจของเราแต่มนจะเสื่อมไปจากประเทศไทยเสื่อมไจากโลกนั้นในเรื่องแต่ว่าในตัวเราจะไม่เสื่อมภพปูมิจะดีขึ้นไปจาก ปุถุชนเป็นกาลยาณปุถุชนแล้วก็เป็นอาลัยบุคคลจะนั่งเข้าถึงธรรมะสูงสุดเขาก็เชื่อกันว่าถ้าเราจะสตินะศีลเป็นบารฐานของการให้เข้าถึงอารหันตผลศีลก็คือความเป็นปกตินะเป็นบารฐานทำให้เกิด สมาธิปัญญาขึ้นมาได้เจคือเข้าถึงความเป็นอหรหันต์อหรหันต์ก็คือไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่ทุกอีกต่อไปเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายแต่เบื้องต้นเนี่ยก็เรียกว่าโสดาบันก็แบ่งเอาไว้โสดาบันปฏิมัติโสดาบันปฏิผลแล้วก็สติทาคามีมัติสกิทาคามีผลอนาคามีมัติ อาาคามีผลแล้ก็อ่านามรรมอ่านนผลมันหมายความว่าอย่างไงโสดาบันก็หมายความว่าเราละความโลกความโกรธความหลงได้บ้างนะได้บ้างไม่หมดหล้วนิดหน่อยเห็นกายแล้วละศยกายทิฏฐิจักายญาทิฏฐิละได้ก็คือสามารถที่จะออกจากรูปขันได้นะ เห็นมันปวดเห็นมันปวดอย่างเงี้ยมันหิวเห็นมันหิวมันเคลื่อนมันไหวเห็นมันเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยละความสงสัยไม่สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยไม่สงสัยหายสงสัยไปเลยมีแต่ความรู้สึกอืมอืมมันได้คําตอบมันเห็นอารมณ์เวลามันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเท่าไหร่มันก็เห็นเท่านั้นอะ เห็นแล้วเห็นอิ่เห็น้จำๆจนกรทั่งอารมณ์มั น, อ, อ, นอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงหายสงสัยวิจิกิจฉาศีลปรตตาปรามาสหายสงสัยเรื่องรูปแบบรูปแบบปฏิบัติถูกหรือเปล่ายกมือ14บี่จังหวะนั่งเดิน ย, ยืนนอนมันใช่หรือไม่พระเจ้าสอนอะไร ม, มันมันไม่สนใจแล้วมันหายสงสัยแล้วก็ละศีลพรตตะปรามาตรก็คือไม่ยึดในศีลพรตตะ ต้องรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ไม่ใช่แต่บางเอิญว่าเรามาอยู่ที่นี่วัดป่าสุกโตเราเพ่อเขียนท่านรับประกันเลยว่าท่านรู้เรื่องนี้แบบนี้ท่านรู้เพราะว่าท่านยกมือสิบสว่ารู้ผมเลามายทั้งใบนะรู้ว่าการเคลื่อนมือ14จังหวะัะเดิมทีก็ไปธรรมกายไปสันติอโศกไปสายพุทโธหลวงปู่ศิ์ไปหลายที่คุณแม่สิริสมัยนั้นในเชียงใหม่ก็โอ้โหซาลาอ่างแก้วนะ สลาแดงเนี่ยทุกอาทิตย์จะต้องมีพระเกจิมาแล้วก็ให้อารมณ์เททหยฟังหรือไม่ก็พาปฏิบัติเก็เห็นว่าเออมันเป็นไปได้วิธีการแบบนี้แล้วก็เคลื่อนมือมันปฏบัตินั้นปี2527รู้สึกว่ามีอาการเปลี่ยนไปแต่เราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นชีวิตมันรู้สึกมันมีอาการต่างๆที่มันดีวันดีขึ้น ทำมาก็ค้าขึ้นเวลาทํามาค้าขายนะมันก็แปลกเราจะใส่ใจกับสิ่งที่เราทํามันก็เลยตั้งนั้นมามีความรู้สึกว่าเออมันมันมีจริงจริงเริหรอเนี่ยถ้าจะเป็นโชคเป็นลาภเราเกิดจากที่เราทํำด้วยตัวของเราเองไม่ใช่คนอื่นทําให้มันมีความรู้สึกว่าตรเนี้มันทำเอาเองได้ชีวิตของเรามันมีมือสองมือะเคยเปรียบเทียบว่าเรามีมือสองข้างเนี่ย ถ้าใครมาซื้อนะซื้อนิ้วนิ้วล้านนะไม่มีทางขายเลยตัดนิ้วด้วนนะตัดข้อมือไปแล้วบอกจะให้สิบล้านนะไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้รู้สึกว่าชีวิตของเราเนะี่ยมันมีอาการสาสิบสองเป็นตัวชีวิตนะแล้วมีค่าตั้งแต่หัวจนเท้ามีค่ามากไม่คิดว่าจะขายตัวแต่ว่าให้อวัยวะถ้าต้องการเนี่ยให้ได้ให้เลือดอย่างเงี้ยให้ได้ มีความรู้สึกว่ามันเป็นบุญทีนี้เมื่อมาถึงตัวปฏิบัติเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันทําได้จริงๆสัจจาวตัวนี้ยมันเป็นความจริงเรานั่งอยู่เรารู้ว่าเรานั่งอยู่มันจริงไหมมันจริงนะเวลาเราเอามือกำปั้นมาทุบความจริงไหมมันจริงนะตรงนั้นน่ะนะมันก็เลยอ๋อทุกวิธีก็สอนได้เหมือนกันถ้าทําถูกนะทุกวิธีการนะถ้าเราทำก็ถูกนะมาจุดหมายเดียวกัน เราจะเป็นสัมมาละหังยุบหนอพองหนอหรือว่าดูลมหายใจเข้าออกอาณาปานติหรือการเคลื่อนไหวแบบแนวหลวงพิเทียนแต่แบบแนวหลวงพเทียนประยุกต์ใช้ใช้การนั่งการเดินการยืนการนอนมีความรู้สึกนะีได้ทุกตลอดเวลาทุกๆ ท, ที่เราสามารถที่จะกําหนดได้เพียงแค่ว่ามันไม่ใช่รูปแบบที่เราจะต้องมาวัดสถานที่ต้องที่นี้อย่างนี้ไม่ใช่ ตรงไหนก็ได้เียนแก้วเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเมื่อก่อนเนี่ยเรานั่งตัวหลงมันก็นั่งด้วยเรายืนตัวหลงมันก็ยืนด้วยพอนอนตัวหลงมันก็นอนด้วยมันก็คือนอนทําตามอาการทํามทำตามอารมณ์แต่พอเรามีความรู้สึกตัวเรากลับมาหาความรู้สึกตัวก่อนเห็นไกายของเราตามความเป็นจริงกำลังนั่งกําลังเดินกําลังยืนกำลังรอดก่อนอนาปาก็ชอบใช้อนาปาก็ชอบใช้ตอนเป็นโยมเนี่ย บางทีมันขึ้นมาดูลมหายใจเข้ามามันรู้แถว อ, อกนะแถว อ, อกนะว่างๆหายใจกระทบเข้าออกตอนหลังมันหายใจไม่ค่อยอิ่มเพราะมันเป็นไซนัตนะมันเป็นลักษณะของกลุ่มแพ้หายใจไม่อิ่มอย่างเดียวนี้ก็หายใจไม่อิ่ ม, มเป็นแบบนี้มานานแล้วนะเอ๊ตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดการบวชขึ้นมานะหนีร้อนมาเพิ่งเย็นว่าอยู่อยู่ไปทางโลกก็ตายป่วยตายนะหนีร้อนมาหลบเรือแผลนะ ปฏิบัติทดีกว่าตัวเนี้เลยหายสงสัยแล้วก็มายึดติดรูปแบบยังไม่ได้ยึดติดเพียงก็อยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เราเห็นว่าเออรูปแบบแลักษณะนี้ประกาศกลมๆตรงนี้เหมาะถ้าอยู่ๆไปอยู่สำนักอื่นก็จะเงียบกิ๊บเลยจะไม่พูดอะไรไปทางนั้นอะ่ะจะเข้าเมืองตาหลิวๆตาตามเขาโดยไม่ก็ไปตั้งสํานักเองเด็ดขาดเลยแต่เออเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าเอออยู่เงียบๆมาดีแล้ว ไม่งันก็นจะไปตั้งสำนักเองอยู่หรอกว่เห็นละเห็นประโยชน์ตัวนี้ละมันจริงเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นหน้าของการเห็นสีนตตปรามาตศีพุทธปรามาตเนี่ยรูปแบบต่างๆทั้งหลายทั้งปวง ก, การทํางานเนี่ยเราลองยึดว่าอาชีพนี้ดีอาชีพนี้ดีอาชีพนี้ดีดทะเลาะกันตายเอาไวว่าเรารักจะทําอะไรทําอย่างนั้นเลยแล้วทําให้ถูกที่ถูกกาละเทสะมันจะดีมากๆเลย ต่อมาก็คือสติธาคามีหมายถึงเราจะเห็นถึงอาการความโลภความโกรธความหลงน้ำน้อยลงไปอีกเดิมทีมันก็น้อยลงไปแล้วครั้นี้มันน้อยลงไปอีกอนาคาเมก็หมายถึงมันเห็นตัวราคะการให้ราคาจนเป็นความพอใจราคะกับราคาในตัวเดียวกันเวลาเราให้ราคากับสิ่งใดก็ตามบางทีมองหน้ากันก็ยิยม้มเราให้ราคาแล้วนะเราพอใจแล้ว บางทีเรามองหน้าเขาเราก็ทหน้าตาแบบขึงเคียดใส่นี่ก็คือลักษณะอัตตาเกิดขึ้นมาเลยนะเราไม่พอใจครับปฏิฆะเกิดขึ้นมาเราได้เห็นไหมเราเห็นเฉยๆไหมถ้าเราสังเกตลงความเขียนนะท่านจะโอ้เสมอต้นเสมอปลายคนบ้าท่านก็เฉยได้คนดีท่านก็เฉยได้ท่านก็เฉยถ้าท่านจะยิ้มดูหัวเราะเนี่ยไว้เราะยอ ก, กิเลสเราสังเกต ด, ดูหรืออาจารย์ผู้ใดทุกคนเวลาท่านเทศเทศไปท่านหัวเราะมาฮ่ เราฟังแล้วโ้ท่านหัวร้อยยอดกิเลศนี่ไะหลวงพ่อก็เหมือนกันบางทีเทศเทศเทเทศพอพูดอะไรมาทีท่านหัวร้เฮ้ยเราฟังแล้วค น, นหัวลุกว่าร้อยยอกกิเลศเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วหนักของราคานี่ยมันทําให้เกิดให้ราคาอย่างเช่นยกตัวอย่างอีกอย่างก็คือเราซื้อของไงนะคนมีราคามากๆจะไม่ต่อเลยเพอเมันประมูลแล้วก็ให้มากคืออยากได้มากนะมีราคามากให้ราคาก็ เพื่อให้ได้ตัวเองเป็นเจ้าของปฏิฆะก็หมายถึงไม่พอใจนะไม่พอใจไม่ชอบมันจะเริ่มต้นขึ้นมาท้ายสุดกลายเป็นโทสะนั่นแหละไอ้ตัวราฆากลายเป็นความโลภนั่นแหละเกิดจากตําแหน่งตัวนี้เลยเพระาะฉะนั้นเวลาเรารู้นะีตัวหลงนั่งไม่ได้เวลาเราหลงตัวรู้ก็นั่งไม่ได้ไมันจะเป็นระนาการการรู้แล้วก็หลงทุกครั้งที่รู้คือรู้สึกเวลามันคิดขึ้นมาคืรู้สึก แสดงว่าสติเริ่มคมและเห็นอาการของจิตแหละบางทีมันนิ่งๆก็รู้สึกแสดงว่ามันกลับมาสู่การเห็นฐานเป็นปกติกังมันแล้วจุดนั้นจะว่างๆว่างๆหยุดๆเย็นๆล้วก็รู้สึกฉลาดจิตจะตื่นว่องไวนิ่มๆนุ่มๆนวล ๆ, ๆของมันมันมีอยู่ภายในตัวเราเนะี่ยก็อาจจะจันใจนะตรงเนี้ยจากความรู้สึกตัวแล้วมันค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะ ผ่านปัญหาต่างๆที่มันเคยเป็นปัญหาเล็ก ๆ, ๆน้อยๆไม่ขีดหัวเดียวต่างๆกลายเป็นดับนะหลายๆเรื่องตรงนี้แล้วมันก็เกิดความผาสุก ข, ขึ้นมาในจิตวิญญาณของเรางันจะคิดจะพูดจะทําอะไรก็อ้าวใครว่ากันอีทีมีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทําขณะคิดขณะพูดขณะทําหลังคิดหลังพูดหลัง ท, ทําตรงนี้ น, นะนะมันจะเกิดขึ้นมาตัวนี้นก็ไปช่วยโลกกันตรงนั้นละใครมีครอบครัวจากที่เราได้รับประโยชน์ตน ก็ค่อยๆข ย, ยายผลไปเป็นเรื่องของญาติพี่น้องเป็นเรื่องของสังคมตำบลอำเภอจังหวัดเป็นเรื่องของหน่วยงานเป็นเรื่องของกลุ่มต่างๆเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายตรงนีนะ้จนทั้งเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของสรรพสัตว์สรรพสิ่งมโนจิชาแล้วให้มันเกิดจากความรู้เนื้อรู้ตัวที่มันจะผลักเราไป อันนี้เราเป็นเรื่องของวิถีกรรมวิถีธรรมวิถีกรรมแล้วก็วิถีธรรมถ้าเป็นวิถีกรรมดีก็ต้องไปหาดีชั่วก็ต้องไปหาชั่วคนกินเหล้าก็ไปหากินเหล้านะแต่วิถีของธรรมมก็คือเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตอยู่ไปวันวันเป็นเรื่องของการนั่งการเดินการยืนการนอนและการใช้สมมติตรงนั้นนะสมมติเกิดที่ความคิดนะเราก็จึงมาปฏิบัติธรรมกันเอาเราเห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอให้ การไปดัดทำของเราหรือว่าการฝูสติแนวเคลื่อนไหวนั่งเดินยืนนอนหรือว่าจะกินจะขับถ่ายต่างๆก็ขอให้สติเป็นลักษณะของธรรมะที่มันพัฒนาเกิดจากการรู้กายรู้ใจแล้วก็รู้รูปทางนามธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานจะต้องมีพัฒนาการเป็นเรื่องของสติธรมาธิปัญญาเป็นเรื่องของคุณธรรมต่างๆ จทังเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะสร้างจิตของเราให้เกิดความผาสุกจนกะทั้งเห็นธรรมชาติต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเป็นกุศลธรรมอกุศลธรมรมจะทั้งคืนสภาวะจิตให้เป็นปกติได้ตลอดเวลาก็ขอให้เกิดกับพวกเราโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนท่านเธอ